ติยมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริมมรณสติสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะคินจากาวสถานรามในนาทีกระคำณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรืยอภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าละถึงภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดมรณสติที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลังขืนย่างเข้ามาพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้ คืองูพึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเราพึงพลาดหกล้มก็ได้พัฒหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ดีของเราพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังศาสตราของเราพึงกำเริบก็ได้ พวกมนุษย์พึงทำร้ายเราก็ได้หรือพวกอมนุษย์พึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอากุศลธรรมที่เรายัางละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางคืนมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า บาปอากุศลธรรมที่เรายัางละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางคืนยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขเมน่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้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 เพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าบาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางคืนไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทนั่นแหลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไป ลังวันย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขา พ, พึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเราพึงพลาดหกล้มก็ได้พัะทหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ดีของเราพึงกำเริบก็ได้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 ตามสํานี๊กในคุณธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายโมรณสติที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างนี้แหลทุติยโมรณสติสูตรที่สีจบ มมะสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสัมปทาความถึงพร้อมแปดประการนี้สัมปทาแปดประการอะไรบ้างคือ 1. อุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความมัน 2. อารักะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กัลยานามิตตา ความเป็นผู้มีมิติสี 4. สมชีวิตาความเป็นอยู่เหมาะสม 5. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 6. สีและสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 7. จาคคสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะปปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ปประการนี้แล คนขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิดที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสัจจะตรัสธรรมแปดประการดังกล่ามานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธา อันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแกขคอรหัสทั้งหลายด้วยประการะชนี้ปฐมมสัมปทาสูตรที่หจบ ทุติยสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการนี้สัมปทา8ประการอะไรบ้างคือ 1. อุทานสัมปทา 2. อารักขสัมปทา 3. กัลยานามิตตา 4. สมะชีวิตา 5. ้ศัทธาสัมปทา6 สีละสัมปทาเจ็ดาคะสัมปทาแปดปัญญาสัมปทาอุทานสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกระสิกรรมพาณิชยกรรมโครักะกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียร์คราในการงานที่จะต้องช่วยกันทานั้น ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทํานั้นสามารถทําได้สามารถจัดได้นี้เรียกว่าอุทานสัมปทาอารคะสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโพกรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ําพักน้ําแรงอาบเหงื่อตางน้ําประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เขารักษาคุ้มครองโภกทรพซ์นั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภกทรพซ์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบโจรไม่ลักไฟไม่ไหม้น้ำไม่พัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักไปนี้เรียกว่าอารักษสัมปทากาลยานามิตตาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสม เจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นข้าพเดีบุตรข้าพดีคนหนุ่มผู้เครื่งศีลหรือคนแก่ผู้เครื่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาระและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควร คอยศึกษาจากค่าสัมปทาของท่านพูดถึงพร้อมด้วยจากะตามสมควรและคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโพกซัพ์และทางเสื่อมแห่งโพกรั์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟยนัก ไม่ให้เฝิดเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของยกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ฉันใดกุลบุตรก็ชั้นนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภอทัพย์และทางเสื่อมแห่งโภอทัพย์แล้ว เลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟยนักไม่ให้ฟเฟื่อเครืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟยก็จะไม่พูกล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้ใช้จ่ายโภกทระซับเหมือนคนกินผลมะเดือ่อถ้าปุลบุตรนี้มีรายรับมาก แต่เลี้ยงชีวิตอย่างเฟืเ่องเฟือก็จะม่ผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภกทรศัพย์และทางเสื่อมแห่งโภกทศัพท์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนะไม่ให้เฟืเ่องเือนะด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี้เรียกว่า สมชีวิตาศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตัสรู้ของตถาคตว่าแม้พระเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นละถึงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทา ศีสลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และถึงเว้นขาจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีละสัมปทาจะฆ่าสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินละถึงควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือละถึงให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทาแปประการนี้แหละคนขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาท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 ประโยชน์เกื้อคูในภพนี้และสุขในภพหน้าจกคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่ครหัตทั้งหลายด้วยประกาศชนนี้ทุติยสัมปทาสูตรที่6จบเจ็ด ช้าสูตรว่าด้วยความอยากได้ลาบณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวดังนี้ว่าบุคคลแปดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลแปดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงัด แต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นเธอหมันภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลาบเมื่อเธอหมันภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลาบแต่ลาบก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ลาบนั้นเธอจึงเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุบอกครื่มครวญถึงความเลอะเลือนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่มันภาคเพียน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 เพราะได้ลาบนั้นเธอจึงมัวเมาประมาทเลนเล่อพิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่มันภาคเพียรพยายามเพื่อให้ได้ลาบเธอชื่อว่าเป็นผู้ได้ลาบมัวเมาประมาทและเคลื่อนจากพระสัตยธรรม 3. เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงนัดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้น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 เธอจึงมัวเมาประมาทเลินเล่อภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบแต่ไม่มันไม่ภาคเพียนไม่พยายามให้ได้ลาบเธอชื่อว่าเป็นผู้ได้ลาบมัวเมาประมาทและเคลื่อนจากพระสัตธรรม 5. เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงัดแต่ไม่ประพฤติในต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นเธอมันภาเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลาบ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 สว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื่นณที่นั้นแหละท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทรหกประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นทำหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 ชี้แจงให้เพื่อนโรมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานฐากแกล้าวกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเอง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 เป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นทำสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ใค่ครวนได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 3. พิจารณาเนื้อความธรรมที่ทรงจำไว้ได้รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 4. ไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคําไพเราะไม่ประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติไม่เร้าใจให้อาหานกล้าวกล้าไม่ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลเป็นผู้มีความสามารถสําหรับตนเอง แต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสีประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับผู้อื่นแต่ไม่มีความสามารถสำหรับตนเองธรรมสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ใคร่ครวนได้เร็ ว, รวในกุศรธรรมทั้งหลาย 2. ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้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 แต่ไม่มีความสามารถสำหรับตนเองผู้มีอายุทั้งหลายภิกษสุประกอบด้วยทำรม3ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นทำสมประการอะไรบ้างคือภิกษสุในพระธรรมวิในนี้หนึ่งคร่ครวนไม่ได้เร็วในกุโรธรรมทั้งหลายแต่ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้สอง พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้3รู้อัดรู้ทมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคำไพเราะไม่ประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติไม่เล้าใจให้อาหานกล้าวกล้าไม่ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริง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 ทั้งไม่รู้อัจรู้ธทมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีวาจางามละถึงให้รู้ความหมายได้ 3. ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับผู้อื่น แต่ไม่มีความสามารถสาหรับตนเองผู้มีอายุทั้งหลายภุกษิุประกอบด้วยธรรมสองประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นธรรมสองประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวิัยนี้ 1. นไครครวญไม่ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งไม่ทรงจาธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้แต่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจาไว้ได้ 2. รู้อัดรู้ทำแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่มีวาจางามละถึงให้รู้ความหมายได้ไหมทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดละถึงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลาย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 แต่มีวาจางามเจรจาถ้อยคาไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 2. ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจรีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติร้าใจให้อาดหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับผู้อื่น แต่ไม่มีความสามารถสำหรับตนเองเอลังสูตรที่8จบ 9. ปริหานสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้พระเสขะเสือ่อมภิกษุทั้งหลาย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 ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้ชอบทำเป็นเครื่องข้อง 8. ความเป็นผู้ชอบปปันจะทำภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่พิกษุผู้เป็นเศษขะภิกษุทั้งหลายทำแปประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่พิกษุผู้เป็นเศษขะทำแปประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 ภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซขะปริหารสูที่เก้าจบ mm hmm. mm hmm. สิบกุศิตารัมภวัตถุสูตรว่าด้วย เหตุแห่งความเกียคร้านและเหตุปรารบความเพียรภิกษุทั้งหลายกุสีตาวัตถุเหตุแห่งความเกียคร้านแปประการนี้กุสีตาวัตถุแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานเมื่อเราทำงานอยู่กายจากเมื่อยล้า อยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่พรารัความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี้เป็นขุสีตะวัตถุประการที่หนึ่งสองภิกษุทํางานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทํางานแล้วเมื่อเราทํางานกายเมื่อล้าแล้วอยากกระนั้นเลยเราจะนอน เธอจึงนอนเสียไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี้เป็นกุศีตตวัตถุประการที่สองสภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางกายจากเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสีย ไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุทธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทรไมให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี้เป็นขุสีตะวัตุประการที่สามสภิกษุเดินทางแล้วเือมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางกายเมื่ อ, อลาแล้วอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุกทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ทําให้แจ้งนี้เป็นกุสีตะวัตถุประการที่สี่หภิกษุเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้ามองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินธบาตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โภชนะเศร้ามองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการ กายของเรานั้นเมื่อล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปราบรพความเพียนละถึงนี้เป็นขุศีตวัตถุประการที่ห 6. ภิกษุเที่ยวบินทบาทตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้ามองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบินทบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ได้โพชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเรานั้นหนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วราชมาคชุ่มด้วยน้ำอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรและถึงนี้เป็นขุสีตาวัตถุประการที่ห 7. ภิกษุเกิดอ า, าพาขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า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 อยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุทธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นขูศีตะวัตถุประการที่8ปดพิุทั้งหลายกูศีตวัตถุ8ประการนี้แหละพิษุทั้งหลายอารัมพวัตถุเหตุปรารบความเพียรแประการนี้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 เธอจึงปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุทธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทาให้แจ้งนี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่หนึ่งสองภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทำงานแล้วเมื่อทำงานก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลย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 อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียนนี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่สามสภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเดินทางก็ไม่สามารถจะใส่ใจคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียนนี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่ส 5. ห้า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 นี้เป็นอารัมพวัตถุประการที่8ภิกษุทั้งหลายอารัมพวัตถุ8ประการนี้แหลคกุศีตารัมพวัตถุสูตรที่10บจบยมกวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. พึปฐมสัทธาสูตร 2. ทุติยาสัทธาสูตร 3. พมปฐมมรณสติสูตรส ทุติยะมรณสติสูตรห้าปฐมมัสมปทาสูตรหทุติยสัมปทาสูตรเจ็ดอิช้าสูตรแปดอลังสูตรเก้าปริหานสูตรสิบกุศิตารัมภวัุสูตร